ครับกาบนักสการ์หลวงพ่อครับก็เมื่อกี้ฟังหลวงท่านหลวงพ่อได้อสอนตัดเทศนานะครับดีมากๆครับผมก็เป็นประโยชน์มากมากครับผมแต่ก็คือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็คงไม่เข้าใจ <laughs> เหมือนกันนะครับก็คงอาจจะไปยึดติดกับคำภีแต่ตอนเนี้ยถ้าเราเอาคำภีหรือเอาคำสอนที่หลวงพ่ออมาก็จะทำให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ <laughs> <laughs> สวัดี ชวงนี้ผมไปฟังพระอาจารย์ย้อนหลักครับที่นู้นแล้วก็เกิดสภาวะครัพี่เราแลกเปลี่ยนกันเนาะใช้เราค่ะดู่นปนก่อ น, นผมไปฟังพระอาจารย์พูดเรื่องอการเกิดพระอาจารย์อธิบายสภาวะอไครับผมที่ผมจําได้คืว่ามีพี่ผู้ชายนนคนนึงมาปรึกษาพระอาจารย์เรื่องความรักครับว่าเออแล้วจะทํายังไงเลยเ่ยครับแล้วพระอาจารย์จะอธิบายเป็นช็อตเป็นช็อตเลยที่ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นแบบนี้นะ และลักษณะของมันก็จะดับไปแบบนี้นะพราะเราไปเอากับมันให้เรามาอยู่ด้วยกันแล้วผมก็เกิดความเข้าใจกับพี่เลยตัวผมเองนะครับปรากฏว่าเมื่อก่อนเราผมศึกษาปฏิจจสมุบาทไว้ก่อนอืปรากฏว่ามันหลงนี่ผมหลงมาเป็นสองวันเลยนะครับเพิ่งเพิ่งมาเห็นตัวเองมันจริงๆนะ <laughs> ก็เลยอยากอยากไปแชร์ ใ, ใ่ไหมเพราะว่าเวลาเราเราเข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นเราเข้าใจเหมือนที่อาจารย์สอนจริงๆครับ วอาบางอย่างผมก็ไม่ทันนะครับมาฟังพระอาจารย์นะแต่จนกว่าแบบว่ามันจะได้เห็นเองครับว่าอ๋อมันเห็นเป็นเราเข้าใจถ้ามันเป็นเราเข้าใจปุ๊บมันก็จะเข้าไปเป็นรูปอย่างเลยครับเป็นเรารู้เป็นเราฉลาดเป็นตัวตนมาจนว่าอ๋อมันรู้ อ, อย่างเงี้ยครับมันก็อ๋อก็เึงเข้าใจนะครับว่าอ๋อบางอย่างนะครับเราคิดว่าเรารู้ครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้จริงๆครับ แต่บางทีผมก็คิดว่าตัวผมรู้เรื่องครับแต่บางพี่มันกั้หลงอยู่นะครับบางทก็โอ้โหกว่าจะรู้ได้ก็เป็นนานเหมือนกันนะครับกว่าจะแบบว่าเจอสภาวะที่อาจารย์บอกครับก็เลยอออยา่กขอบคุณอาจารย์ครับที่ว่าช่วยช่วยชี้แนะครับมันเป็นเรื่องยากครับอาจารย์ที่อาจารย์จะคือคืผมคิดว่าตัวผมเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่จะเจออาจารย์มันเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดมากแต่พอมาเจออาจารย์แล้วอะ มันคิดวาโอ้ความขลาดนี่ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรคุเลยครับอาจารย์ก็ว่ามันอนนี้จริงครับอันนี้ไอ้ผมพูดแตกใจแล้วอาจารย์รู้ดีกว่าเราเลยอันนี้ก็แบบว่าโอ้อหเธออะไรอะไรที่ชิดว่าแน่ๆก็เรื่อๆเธอเลยพรอาจารย์แล้ก็แบบมันเห็นสภาวะเพาะว่าเออเราเหมือนท่านอาจารย์ถ้าเป็นการจะพูดเรื่องว่าเออเราในชีวิตของคนเรามัน คือธรรมชาติมันทําให้เราต้องต้องมีชีวิตคู่ครับแล้วเราก็เลยเห็นว่าอมันชัดเจนดีอะไรเงี้ยในสิ่งพิก า, ารสอนมันเป็นความทุกข์ของคนทัน่วไปนะอะไรอย่างนี้ครับยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันเนี้ครับเราก็ยิ่งเข้าไปเป็นผู้ผู้รู้ผู้ชิดผู้เห็นอะไรอย่างนี้ครับเข้าไปเป็นทุกอย่างครับเพามันไม่รู้มันก็ไม่หูุดพิงแต่พอรู้ว่ามันหลุดออกมาอ๋อผลว่าเรา เราเข้าไปเป็นเองไม่ไม่ว่าอะไรทุกทุกอย่างในโลกจริงๆนะครับไม่ว่าจะรู้ธรรมะไม่ว่าจะรู้โลกหรืออะไรก็มันไม่ทําให้ผมหลุดพ้นลเลยครับอาจารย์จนมาอ๋อตัวรู้เหมือนนี่นะอ๋อตัวรู้อะไรมันก็ไม่เที่ยงนะครับแล้อ๋อก็ขอบขอบคุณครับอาจารย์ครับคือหลวงพ่อมองนะทุกวันเนี้ยคือพวกเราชาวพนะุทธเนาะบางทีเนี่ยเรียนธรรมะเนี่ยคือเรียนแค่เหมือนกับว่าให้ตัวเราเนี่ยมัน ให้ตัวเรานะหมายความว่าให้ความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมีทุกน้อยลงหรือว่าให้ตัวเราเนี่ยไม่มีทุกเลยนะคือเหมือนกับว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นอัตตาร้อยเปอร์เซนตแล้วก็เราหวังว่าเออแค่เรียนธรรมะเนี่ยเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยอไม่ทุกมากแล้วก็ทุกน้อยลงหรือว่าเราไม่มีทุกขแล้วเนี่ยตรงเนี้มันยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนนะเพราะว่ายังมีตัวเราเป็นผู้ เป็นผู้จะได้รับสิ่งนี้อยู่แต่แนวที่หลวงพ่อพูดเนี่ยตอนรากถอนโคนเลยหมายความว่าต้องจนกระทั่งคือไม่มีตัวเราเลยมีแต่สังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้ น, นก่อนๆโยมเจีย๊ยบก็ก็พูดดีนะโยมเจีย๊ยบพูดถึงว่าเออได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยเออบางทีเราฟังแล้วคล้ายๆว่าฟังว่าเหมือนกับเหมือนกับให้เราเนี่ยมันอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยเหมือนกับว่าให้เรามันมีทุกข์น้อยลงแต่มันไม่เด็ดขาดไง พอฟังหลวงพ่อบอกโอ้โหนี่หลวงพ่อพูดไม่เหมือนใครเลยแล้วเห็นทางด้วยนะชัดเจนว่าหลวงพ่อเนี่ยบอกทางสู่ความพ้นทุกข์ในชาตินี้จริงๆเลยแต่อาจจะยังฟังยากอ ย, กอยู่แต่ยมเจี๊ยบเข้าใจอะวันนี้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อค่ะวันนี้ยมเจี๊ยบไม่มาค่ะเดี๋ยวก็คงแวะมาค่ะคือยมเจี๊ยบเนี่ยเขาเขามีปัญญาที่จะเห็นความแตกต่างนะความแตกต่างทีนี้เราก็ลองดูก็ได้สิว่าเวลาเราเราปฏิบัติเนี่ยเช่น ถ้าปฏิบัติเพื่อให้เราทุกข์น้อยลงนะเช่นเวลาเราเครียดมากทุกข์มากเนี่ยเราก็พยายามจะข่มนะโดยใช้อุบายนะเรื่องกรรมฐานเนี่ยก็คือใช้ใทําให้มันเป็นสมถะเราเรียกจะเป็นสมาธิก็ได้นะสมาธิข่มไปกดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เออมีความสุขเราจะได้ไม่วุ่นวายนะเอาอะไรมาขม่มเช่นส่วน ก, การบริกรรมเนี่ยคือเรื่องของการบริกรรมพุทโธเนี่ยมันมองได้สองอย่าง จะมองแบบเป็นเป็นการกดข่มก็ mm hmm. ก, ก็ก็ทำได้หรือว่าจะเดินปัญญาเพื่อเกิดวิปัสสนาก็ทําได้ทั้งทั้งที่คําบริกรรมพุทโธเนี่ยเป็นกรรมฐานตัวเดียวแต่คนส่วนมากถ้าถ้าฟังแต่เรื่องของการทําสมาธิก็จะเอาพุทโธเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวข่วมหมายถึงว่าพอเกิดอะไรขึ้นก็พุทโธเข้าไว้พุทโธเข้าไว้เพรขณะที่พุทโธเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทําให้จิตเนี่ยมารู้ คำบริกรรมอย่างเดียวคือพุโทโธพุธโทโธเมื่อจิตมารู้คำบริกรรมอย่างเดียวเนี่ยจิตก็ไม่แส่ายที่จะไปรับรู้เรื่องอื่นใช่มมันก็จะเกิดความสงบอ่าเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิก็พุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยนะมันก็เป็นสมาธิไปเรื่อยแล้วก็พอเกิดอะไรขึ้นพอมีปัญหากับชีวิตมีปัญหากับทางจิตใจก็พุโทโธอีกอก็เพื่อเพื่อดับปัญหาโดยใช้วิธีข่มอ่าโดยโดยใช้พุโทโธแบบเนี้ย ทีนี้ถ้าอ า, อาจจะไม่มีคนต่อยอดให้หรืออาจจะไม่เข้าใจก็กลายเป็นนิสัยนะเป็นความเคยชินพอมีปัญหาหน่อยก็เอาพุโทโธกลบพุโทโธกลบอย่างเงี้ยมันก็โอเคอาจจะเรียกว่ามีความสุขนะกับสมาธิแต่ก็มันมันมันข้ามพ้นวัฏฏะสงสารไม่ได้ไงเพราะว่ายังมีตัวเราเป็นผู้พอใจเนาะในสิ่งที่ได้รับผลยังมีตัวเราเป็นผู้บริกรรมพุโทโธ คือมันไปยึดไปหมดแหละพอเกิดความฟุ้งซ่านก็มีตัวเรายังฟุ้งซ่านพอสงอบก็เออเราได้รับความสงบคือมันยังเป็นตัวตวนยังมีตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องต่อยอดอีกว่าเออไอ้ที่เขาฝึกพุทโธเนี่ยมันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นหรอกเพื่อให้จิตสงบนะเมื่อจิตสงบแล้วก็ต่อไปก็ให้พิีรณานะให้ พ, พ, พิ่พี่นากายพี่ณาจิตว่าเออมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปวนมันเกิดดับจนกระทั่งเห็น จนตามความเป็นจริงว่าอ๋อกายนี้จิตนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เราอพอเห็นอย่างเนี้ยต่อไปก็ก็เห็นไปเรื่อยแหละเนาะจนกว่าจะตายอหละเพราะว่าร่างกายจิตใจมันก็แสดงความเป็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเห็นเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกจนกระทั่งว่าใจมันยอมรับได้จริงว่าเออมันไม่มีเราในกายไม่มีเราในจิตใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องย้อนกลับมาที่ผู้รู้ด้วยว่าใครเป็นคนรู้ว่า กายเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใครเป็นผู้รู้ว่าจิตเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาสุดท้ายมันก็มาลงตรงที่ว่าเราสิเป็นคนรู้เห็นไหมกลายเป็นผู้รู้เป็นเราเพราะฉะนั้นจะต้องวางเราผู้รู้อีกทีหนึ่งว่าไอ้ผู้รู้เนี้ยที่เป็นเราเนี่ยจริงๆมันก็คือสังขารเกิดตายเหมือนกันเหมือนกันเมื่อวางหมด ทั้งกายนะทั้งกายทั้งจิตทั้งความรู้สึกรวมถึงผู้รู้เมื่อวางหมดแล้วตรงเนี้ยก็จะหมดแล้วผ้นจากนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางต้องรู้เท่าทันโดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงเนี่ยต้องวางผู้รู้แต่คนส่วนมากไม่เห็นผู้รู้สักทเพรอะมแต่รู้อยู่ก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้รู้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ถ้ามีคนมาชี้บอกว่าเออ น, นี่ยังเป็นผู้รู้อยู่เลยนะยังเป็นผู้รู้เนี่ยรู้เยอะจังรู้มากจังเลยเนี่ยแล้วก็ให้รู้ว่า้ผู้รู้มากเนี่ยเนี่ยตัวเนีย้ยังตายเข้าโรงเหมือนกันนะ่ะเออเพราะฉะนั้นต้องเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์แล้วสุดท้ายก็หมดแล้ววางได้หมดก็พ้นไปพ้นไปสู่ความอะไรก็สู่ความไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่ปรากฏอะไรนั่นนะคือพ้นทุกข์ แต่ถ้ายังมีตัวเราเป็นผู้รู้ยึดเอายึดเอาไว้นะเหมือนที่โยมอาว่าเลยอ่านอะไรก็รู้มาเยอะแต่ไม่เห็นตัวนี้สักทีหนึ่งก็เลยทนทุกข์ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เลยอาจารย์มนนีจริงครับเพราะผมอ่ะคือเมื่อก่อนผมก็ใช้ชีวิตทางโลกลนะอาจารย์แล้วก็พอหลังจากปีห้าแปดเนี่ยชีวิตผมเแบบว่าเริ่มมันล้มเหลวแล้วครับอาจารย์ทุกทุกทุกด้านนะก็เลยก็เลยไปเข้าวัดปฏิบัติธรรม แต่ก็ปฏิบัติงั้นแต่ปีห้าแปดจนถึงทุกวันเนี่ยครับจะเรียกว่าปฏิบัติก็ไม่เชิงละแต่เอ๊ะรู้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆนะครับผมก็พยายามไปเรียนะเรียนหรือว่าอันที่เขามีให้เรียนทางราชการจิตเทตะศิษ์บ้างเออจิตจิต จ, จิตจาสมุบาตถ้าเรียนเรหมดเนี่ยครับแต่เวลาเอ๊ะทําไมเวลาเราเจอทุกทจริงๆแล้วเครื่องมือมันช่วยไม่ได้ครับผมพอมาเจอเนี่ยเครื่องมือาอาจารย์บอกโอ้หนะ คือผมยิ่งอันนี้เราเอาสมมตินะครับอาจารย์เราคุยกันยิ่งเจอเกิดมาเขาบอกว่าเกิดเป็นคนนะ่ะได้มันเจอพุทธศาสนาก็ยากแล้วแต่ได้มาเจอมัดเนี่ยผมว่าก็ยิ่งยากกว่าแนละเพราะว่าที่วัดที่ผมไปปฏิบัติพระก็ยังคุยกันนะว่าก็คือเราก็คุยกันนะว่าทุกคนก็ยังทุกเอ๊ะตอนนี้พระที่เราคุยกันเนี่ยปฏิบัติเราก็ยังทุกข์ด้วยกันอยู่เลยอย่าว่าอาจารย์เดี๋วเราจะไปหาทางคนทุกข์เปนจากไหนครับก็ยังคุยกับพระที่เขาบวชแต่ว่าผมตอนนั้นผมไปอยู่วัด ก็คือไปเป็นโยมเนี่ยนะครับอาจารย์จะเป็นคนขับรถให้วัดนะครับไปอยู่มาห้าปีก็เนี่ยครับจนมาก็เริ่มมาศึกษาสายหลว่อเทียนนะครับยิ่งยิ่งยิ่งทำมาเจออาจารย์ผมมาเจออาจารยประมาณเดือนนึงแล้วนะนะครับอะไรต่างๆมันก็แบบว่าพอมีตัวรู้แบบรู้แบบปล่อยวางมันเหมือนมันเฉลยแล้วอาจารย์มันเฉลยไปทีละเหมือนว่าโจทย์ที่เราไม่เคยเฉลยได้ครับมันก็เฉลย แต่พอมันเสลยอ่ตัวผมเองกับเอาเป็นตัวเเป็นผู้รู้อาจรย์มันก็ยิ่งแบบโอ้ยหลงหลงไม่รู้อีกก็กลับไปหลงอีกจนพระอาจารยก็รู้มันเนี่ยไม่รู้จะทำไงเพราะมันก็เป็นแค่สมมติรู้เงครับก็บอกอ๋อครูพิฆาจารย์สอนผมแล้วแต่ว่าผมไม่เห็นครับมันไม่ออกมาเป็นผู้ดูครับนี่เหมือนว่าอ๋อเนี่ยครับอย่ากขอบคุณอาจารย์ไม่ไม่รู้จะขอบคุณอาจารย์ยังไงครับสำหรับผม มันมีที่เคยฟังหลวงหลวงพ่อเทียนเป็นเทปอ่นนะเนาะมันเป็นหลวงพ่อเทียนหรือหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่ทานหนึ่งนี่แหละคือมันมีการสอบอารมณ์จากโยมคือสอบว่าไงคือไปถามโยมอ่ะนะคือเอาหนังสือมาไว้ว่างเอาหนังสือเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าโยมแล้วก็ถามโยมว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นรูปหรือเป็นนาม โยมบอกว่าเป็นรูปแล้วก็ทีนี้อาจารย์ก็ชี้ไปที่พื้นดินถามโยมว่าพื้นดินเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามโยมบอกว่าเป็นรูปอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็หมายถึงว่าไม่รู้หลวงพ่อคำเขียนหรือหลวงพ่อเทียนเนี่ยบอกว่าพอพอพอพอรู้มากไปแล้วแต่อาจารย์ไม่เฉลยนะว่าคําว่าพอพอรู้มากไปแล้วท่านไม่เฉลยแต่ตอนนั้นหลวงพ่อก็ วังไม่เข้าใจเพราะหลวงพอมองอย่างเดียวว่าเอ้โยมก็ตอบถูกอเออว่าสิ่งที่ถูกตาเห็นเนะคือหนังสือมันก็เป็นรูปก็ตอบถูกแล้วพื้นดินที่ถูกตาเห็นมันก็เป็นรูปก็ตอบถูกนะแต่ทำไมหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนหรือหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยบอกว่าพอๆมันรู้มากไปแล้วไม่เข้าใจนะตอนนั้นแต่พอตอนนี้เลยเข้าใจแล้วว่าขนาดที่ตอบถูกไม่รู้ตัวเอง ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นผู้รู้นี่ถ้ากลับมารู้ตัวเองปั๊บว่าอ๋อตัวเองเป็นผู้รู้แล้วก็มองให้ทะลุไปเลยว่าไอ้ตัวเองเนี่ยคือสังขารที่ปรุงแต่งที่รู้แล้วก็เอามาพูดได้ว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นรูปไอ้รู้ชนิดเนี้ยมันเป็นรู้แบบสังขารไงแต่ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารมันก็กลายเป็นเรารู้พอเป็นเรารู้เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอัตตาใช่ไหม มันเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นอัตตามันก็พน้นทุกข์ไม่ได้แต่ถ้ากลับมารู้ตัวเองว่าอ๋อไอ้ตัวเองที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันเป็นอนัตตานี่ถ้าเห็นตัวเองเป็นอนัตตาเมื่อไหร่แล้วก็คือ พ, พ้นทุกข์เลย <Later> บางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่ท่านไม่เฉลยไงเนาะเราก็งงมาหลายปีแต่พอมาเข้าใจเรื่องไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยโอตัวเรามันก็เป็นสังขารตัวเราก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตา มันก็ทําให้ถอนความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์มากเลยที่การยกตัวอย่างมาแบบเนี้และทุกวันเนี้ยนะลองคุยกันดูสิถามนี่เราถามกันนะถามนักปฏิบัติเนี่ยถามว่าไอ้นี่เป็นรูปเป็นนามตอบถูกหมดเลยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผู้ตอบเนี่ยจริงๆมันก็เป็นสังขารเหมือนกันคือไม่เห็นไงไม่เห็นเราแต่เราไปเห็นเราเนี่ยไปมีความรู้เรื่องอื่นแต่มันไม่กลับมารู้เราว่าเราที่เป็นผู้มีความรู้เนี่ย มันก็เกิดดับเกิดตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีสติปัญญาเห็นตัวเองบ่อยๆนี่นะตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่เป็นผู้รู้ก็ตามเป็นผู้ไม่รู้ก็ตามตัวเองที่เป็นผู้ขี้สงสัยก็ตามทุกอย่างที่มันมามาอยู่ในตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยให้เห็นเสียแล้วก็สุดท้ายก็คือเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือเป็นสังขารไม่ใช่เราคือเห็นว่าเป็นสังขารแล้วมันไม่ใช่เราแค่เนี้ยเท่ากับปล่อยวางในฉับพันได้เลย ถ้าเข้าใจเสร็จแล้วก็ต่อไปพัฒนาตรงนี้เลยเห็นตัวเองอยู่เป็นประจําไม่ว่าตัวเองจะพูดอะไรไม่ว่าจะตัวเองจะถามอะไรไม่ว่าตัวเองจะเข้าใจอะไรก็กลับมารู้เชีวว่าเนี่ยมันก็คือเป็นสังขารแล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันย้ำตรงนี้เลยถ้าใครเข้าใจตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดที่ไปต่อนะไปต่อไปต่ออะไรไปต่อจากความรู้ที่เคยมีมาแล้วเนี่ยมาใช้วิธีนี้แทนถอคือรู้ตัวเอง รู้ตัวเองว่าตัวเองนี่แหละมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอนัตตาเพียนตรงเนี้ยกัดติดจดจอ่อเรียกว่ากัดติดจดจอ่อไว้ที่ตรงนี้ตอนนี้มันคือมรรคเลยเนี่ยรู้สึกตัวหรือว่าเห็นตัวเองว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยคือมันเป็นมรรคเลยเป็นหนทางที่จะพ้นทุกในปัจจุบันชาตินี้ได้ไม่ต้องรอนานครับขออนุญาตขอโอกาสนิด น, นึงครับผมยิ เ, เชิญค่ะคุณออสค่ะคือว่า าบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเหมือนผมเองนะครับเมื่อค่อนก็ไม่เข้าใจว่าในการแยกที่หลวงพ่อสอนหรืออาจจะได้ยินคำสอนนี้มาแล้วว่าเฮ้ยจะทำยังไงพอเราไปเห็นสัญญาสังขารวิญญาณหรือตัวเราที่เป็นผู้สังเกตก็คือวิญญาณเนี่ยจะทำยังไงให้มันเป็นอนัตตานะครับมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าจิตของเรานะครับเราจะยึดสิ่งเหล่านี้แม้แต่ความคิดของเรา การเป็นผู้สังเกตของเราว่าเป็นตัวตนของเราตลอดมันทํายังไงก็ไม่ได้ครับหมายถึงตัวผมเองนะทำยังไงก็ไม่ได้อย่างเช่นบอกว่าขาทําให้หายยังไงมันก็ไม่หายมันก็ไม่ว่างเปล่ามันก็ยังคงนี่อยู่เห็นอยู่หรืออาจจะทําว่างเปล่าได้แต่สุดท้ายก็เกิดจากการที่เราไปมโนเปลี่ยนให้มันว่างเปล่านะครับส่วนตัวผมก็เลยทําความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้ว ธรรมชาติที่เราไปรู้อยู่เนี่ยนะครับมันมีอยู่ของมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ควรเอาไปยึดถือเพราะว่ามันมีเกิดมีเสือ่อมมีดับนะครับมีเปลี่ยนแปลงและย่อยสลายได้เราควรปล่อยแล้วก็เห็นมันตามธรรมชาติตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าเป็นผู้ยึดถือแต่ถ้าเราไม่แยกออกเลยเราจะไม่เข้าใจว่าสิ่งไหนที่เราควรจะไม่ยึดถือหรือเป็นความปล่อย มืนที่หลวงพ่อบอกนะครับว่าอันนี้คือผู้รู้แม้แต่ผู้รู้เองที่เราคิดว่าเป็นจิตของเราเองไปเฝ้าดูกายไปเฝ้าดูผู้อื่นสิ่งเหล่านั้นก็คือวิญญาณเหมือนกันที่เรายังไปยึดถือว่าอมันเป็นตัวเราใช่ไหมฮะมันก็คือการเข้าไปยึดในขันห้าแต่วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยมันก็เกิดจากกายนะครับเกิดจากอะไรต่างๆเกิดจากสัญญาเวทนาะอะไรก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องดับไปสลายไปเหมือนกันถ้าเรายังคงไปยึดถือสิ่งเหล่านั้น มันก็จะทําให้เรายิ่งเกิดความทุกข์นะครับยิ่งเกิดความหววงแหนหววงกันตั้หาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็เป็นข้อแนะนำเฉยๆนะครับในการวางใจของผมแมงปันประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับเชิญต่อครับผมอสาธุมากเลยค่ะสาธุนับมดีมีประโยชน์คนอื่นด้วยค่ะสาธุครับขออนุญาตกับเรียนถามหลวงพ่อครับผมสมาวะผู้รูปพิดที่หลวงพ่อให้แยกค่ะให้เห็นความสัญญาสังขารตรงเนี้ยนะครับ ผมอาจจะเข้ามาไม่ทันนะครับหลวงพ่อมีเทคนิคอะไรที่จะสามารถทําให้เราเกิดความรู้ตัวได้เร็วมีสติได้เร็วให้รู้ทันทั้งข้อให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ได้เร็วขึ้นพอจะมีไหมครับผมรขอบพระคุณครับก็มันมีอันดับแรกคือต้องฟังเนาะต้องฟังก่อนเพราะว่าขณะที่ฟังเนี่ยผู้บรรยายเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องสภาวะ เช่นอ่าสภาวะเช่น่วนผู้ฟังเฮ้ยหมายถึงว่าผู้พูดเนาะกําลังอธิบายว่าเออคนเรามีกายนะแล้วก็กายเป็นยังไงลักษณะยังไงนะฟังไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องจิตนะจิตใจความรู้สึกนึกคิดเป็นอะไรยังไงบ้างฟังไว้เมื่อฟังไว้เนี่ยมันก็จะเกิดการรู้จักจากการฟังเช่นกายนะหลวงพ่อสมมติว่ากายก็คือเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้ ก็คือสิ่งที่มีอยู่กายเนี่ยตอนนี้อาจจะกำลังนั่งอยู่เนาะกายเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วนั่งท่าไหนนั่งตัวตรงนั่งอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้พูดกำลังบอกลักษณะของกายเพื่อจะได้รู้จักขณะที่ฟังอันนี้หลวงพ่อย่อๆเนาะส่วนจิตนะนามธรรมเนี่ยคืออะไรบ้างเช่นบอกว่าก็คือความคิดนะความคิดเนี่ยก็เป็นนามธรรม ชีวิตของเราเนี่ยเมื่อยังไม่ตายมันก็ต้องคิดเนาะคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดถึงงานคิดถึงธรรมะคิดถึงการไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดซึ่งมันอยู่ในใจอ่าแล้วก็อารมณ์ต่างๆเช่นความสุขความไม่เออความสุขคือความอิ่มเอิบใจความความสบายใจประมาณอย่างนี้นะอส่วนความวิตกกังวลความทุกข์ก็คือความขับแค้นใจความไม่สบายใจอะไรต่างๆ เ <ME nte as> มื่อฟังแล้วก็จะเกิดการรู้จักรู้จักว่าสิ่งพวกเนี้ยกาย ก, ก็มีอยู่แล้วอยู่ที่ตัวจิตใจความรู้สึกนึกคิดก็มีอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเพราะนั้นก็หลวงพ่อก็หมายถึงว่าผู้บอกก็จะบอกว่าต่อไปนะหัดสังเกตนะกายตัวเองเนาะที่มีอยู่กายนั่งอยู่ก็หัดรู้กายเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกก็หัดรู้จิตใจที่มันมีความนึก ร, ร, รู้รู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็หัดรู้แล้วก็ต่อไปก็ไปฝึกเอาเอง เพราะนั้นเบื้องต้นก็คือต้องฟังก่อนถึงจะเกิดสตินะเกิดความระลึกได้ทีนี้เมื่อต่อมาก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็บวกกับเพราะบางคำเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินอ่าพอไม่เคยได้ยินถ้าไม่เคยได้ยินเนี่ยสติมันก็ระลึกไม่ได้ทั้งๆที่สิ่งนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นพอได้ยินอารมณ์อันใหม่นะสภาวะธรรมอันใหม่ต่อไปก็สติมันก็จะระลึกได้เช่นน ะ, ะสมมติเรื่องกาย เมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องการนั่งเนาะนั่งตัวตรงนั่งอะไรก็รู้จักอ่ะอันนี้ฟังแล้วแล้วก็ต่อไปไปฝึกเป็นก็คืออ๋อนั่งอยู่รู้อยู่นะก็จะรู้ว่านั่งแต่ทีนี้บางอย่างหลวงพ่อก็ยังไม่เคยพูดทีนี้ถ้าไม่เคยพูดสติมันก็จะรู้เองไม่ได้ทั้งๆั้ง ท, งที่สิ่งนั้นมีอยู่เช่นหลวงพ่อจะบอกว่าเอาต่อไปเนาะก็ฝึกรู้กายที่เคลื่อนไหวเช่นการโคกันเหยียดเนาะโคที่แขนก็ดีที่ขาก็ดีนะ เมื่อคูเมื่อคูเมื่อเหยียดหรือมันเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยก็หัดรู้ไปด้วยนะต่อไปก็เห็นไหมมันก็จะไปเวลาเกิดการครูทางร่างกายเกิดการเหยียดอะไรเนี่ยมันผ่านการได้ยินแล้วก็ทําให้เกิดการระลึกรู้ได้ว่าอ๋ออันเนี้ยกํา ล, ลังเคลื่อนกําลังคูกําลังเหยียดเนาะหรือว่าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องการหายใจนะต่อไปก็เคนเราเนาะมันมีการหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจสัน้นอะไรเนี่ยต่อไปก็ไปฝึกเอา สิ่งพวกนี้เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ต่อไปก็เวลาหายใจเข้าหายใจออกก็จะระลึกรู้ได้ว่าอ๋อตอนนี้ร่างกายมันหายใจแบบไหนก็จะรู้นะงั้นที่โยมถามก็คือเบื้องต้นต้องฟังเนาะสองเมื่อฟังแล้วก็ไปไปสังเกตเพื่อให้เกิดการรู้ด้วยตนเองนะการรู้ด้วยตนเองคือมีสติระลึกรู้ขึ้นมาว่ากายใจเนี่ยมันมีอาการอย่างไรอย่างไรนะ ก็แล้วก็ต่อไปมันก็จะพัฒนาเองบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่สังเกตเองเป็นพออะไรเกิดขึ้นอาจจะไม่รู้จักชื่อก็ได้แต่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนแล้วสิ่งนั้นดับแล้วอะไรเนี่ยก็จะเห็นเองรู้เองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเรียกว่าจิตมันจําสภาวะได้เนาะทำให้เกิดสติขึ้นมาพอเกิดสติเสร็จแล้วก็ต่อไปก็พัฒนาเห็นเห็นความแปปวนของมันว่าเออ กายก็ดีมันก็มีความแปรปวนมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่จิตใจก็ดีมันก็จะมีความความคิดนึกอารมณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะจนกระทั่งเห็นความจริงอย่างนี้ซ้ําๆๆๆๆจนกระทั่งเกิดปัญญาลงแก่ใจว่าอ๋อทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนี้คือถ้าเราฟังภาคปริยัตินะเขาเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเมื่อได้ยินได้ฟังท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นกายก็ดีเป็นจิตก็ดีอาการของจิตก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควร ย, ยึดยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้า ย, ยึดแล้วผู้ยึดก็จะเป็นทุกข์ก็ให้ได้แต่รู้พอแค่รู้แค่รู้แค่รู้เราก็ปฏิบัติตามก็คือเออแค่รู้แค่รู้แค่รู้แล้วก็เจ้าตัวก็จะรู้ได้เองว่าอ๋อตอนเนี้มีการค่ะว่าเมื่อก่อนไม่ได้เข้าใจ อ, อย่างนี้เนาะแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่ากายก็เป็นเราจิตใจความรู้สึกนึกคิดก็เป็นเราพอรู้ว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นเราแล้วมันก็เริ่ม ถอดถอนความเห็นผิดก็กลายเป็นว่าสิ่งนั้นก็เป็นแค่ปรากฏการตามตามธรรมชาติมันเกิดเองดับเองดับเองก็ไม่ได้หลงยึดถือเมื่อไม่ได้หลงยึดถือจิตมันก็มีความเป็นกลางมากขึ้นคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้แต่รู้มันรู้มันรู้มันอย่างนี้ก็เรียกว่าทั้งรู้ทั้งวางเนาะทั้งรู้ทั้งปล่อยและ้ะเพราะว่ามันมีปัญญาเนาะทีนี้ไอ้ขั้นสุดยอดที่หลวงพ่อพูดอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่า ต้องรู้จักผู้รู้ด้วยว่าผู้รู้เนี่ยว่าเหมือนกับว่าผู้รู้อะไรผู้รู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเนี้ยมันมีผู้รู้เนาะแล้วก็มีผู้รู้ที่รู้ว่าจิตนี้ก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเนี้ยมันก็มีผู้รู้แต่ทีนี้ถ้าไม่รู้จักผู้รู้กลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้แต่ไม่ร you know. ู้เราเมื่อไม่รู้เราก็จะมีการยึดถือผู้รู้ว่าเป็นเรานะ ถ้ายังยึดถือผู้รู้ว่าเป็นเรามันก็ยังไม่พ้นทุกข์เ <anut> พราะว่ายังมีตัวตนยังมีเราเป็นผู้ยึดยึดความรู้ยึดความเข้าใจยึดปัญญาคือมันยึดหมดเลยว่าเป็นของเราเพราะนั้นต้องพบตัวเราที่เป็นผู้รู้แล้วก็ให้พึงเข้าใจด้วยปัญญาว่าไอตัวเราที่เป็นผู้รู้มันก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันคือความไม่เที่ยงสุดท้ายก็วางหมดหวางทั้งทั้ ง, ท, งทั้งกายวางทั้งจิตนะทั้งความรู้สึกนึกคิดวางทั้งผู้รู้ เมื่อวางหมดแล้วก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรแล้วนี่เกินจากนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นความพ้นทุกข์ไปเลยไม่รู้เข้าใจที่หลวงพ่อพูดอย่างย่อๆไหมสาธุครับเข้าใจครับผมกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับผมดีมากๆทีนี้อย่างหลวงพ่ออธิบายมานะอสมมติตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเนาะะตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยสมมติหลวงพ่อจะบอกว่า พวกเราที่มาเนี่ยมานั่งมานั่งฟังมายืนฟังมาอะไรทั้งหมดนี่นะที่เข้าก็เรียกว่าเข้าหรับเฮาที่ที่หลวงพ่อหลวงพ่อจัดตรงนี้นะให้ลองดูนะคือถ้าเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีตัวเราจริงๆเลยมีตัวเราเป็นผู้มามาฟังนะแต่ถ้ารู้รู้ตัวเราขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆไงผู้มาฟังทั้งตัวเลยนะตัวนี้ก็คือสังขารหมดเลย มันเป็นความไม่เที่ยงคือมันต้องตายเข้าโล่ไงตัวที่มาฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวนี้เสียแล้วก็พึงเห็นว่าไอ้ตัวที่มาฟังเนี่ยยึดถือไม่ได้เพราะว่าถ้ายึดได้เนี่ยมันก็จะมีตัวเราที่เป็นผู้ยึดเนี่ยจะเป็นทุกข์มันจะเป็นทุกข์ตอนไหนก็ก็เป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเกิดแก่เจ็บตายเนาะทีนี้ถ้าไม่วางไอ้ตัวผู้มาฟังทำเนี่ยมันก็ต้องตายไปกับมันและต้องทุกข์ไปกับมัน แต่ถ้าวางเดี๋ยวนี้ตอนนี้ว่าโอ้มันเป็นสังขารประดแต่งมันเป็นอนัตตาเห็นแล้วรู้แล้วโอ้ยึดถือไม่ได้มันเป็นฐานเหมือนกับอุปมาเหมือนกับฐานไฟแดงๆนี่เนาะยึดถือไม่ได้ก็เลยไม่ยึดเมื่อมันไม่ยึดก็ผู้ฟังเนี่ยที่เรีเยกว่าตัวเรามันก็ยังฟังเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครยึดแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนี้แค่นี้ก็พ้นทุกข์ในปัจจุบันได้ค่ะสช่ถูกค่ะก็นะจริงๆทําก็เรียบง่ายนะคะ เออไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากนะคะไม่สามารถเข้าถึงได้เดียงแต่ในความซับซ้อนนะคะมันเป็นความซับซ้อนในความไม่ซับซ้อนนะคะอย่างห น, หนูเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ด้อยปัญญามากๆนะคะไม่เคยทราบอะไอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะเรื่องปริยัตินีหน่หนูไม่ทราบเลยด้วยซ้ําไปนะคะก็ โชคดีมากที่ได้เข้าคลับเฮาส์นะคะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆเนี่ยนะคะในคลับเฮาส์ก็เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคำบรรยัญญติอะไรเงี้ยทำให้แบบวอ๋อรู้จักขึ้นมาบ้างนะคะค่ะต้องต้องบอกว่าเออเป็นผู้ที่ที่เดินทางมาแบบงงๆด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆความบริสุทธิ์ในธรรมชาติตรงเนี้ยของทุกคนมีหมดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะตื่นขึ้นมานะคะได้ได้เห็นมัน หรืว่าได้รับรู้มันนะคะอณนะปัจจุบันนี้แหละค่ะไม่ต้องไปควานหาที่ไหนเลยนะคะสามารถที่จะรับรู้ได้ในในปัจจุบันทุกขนาดเลยถ้าถ้าใครสามารถที่จะเห็นตัวเองได้ทั้งตัวเนาะ <c oughs> นตัวเองได้ทั้งตัวในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยคือไม่มีใครยึดแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นความพ้นทุกข์ได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะเวลาพ้นทุกข์เนี่ยคือ ปล่อยวางหมดอ่ะปล่อยวางคือไม่ยึดถือทั้งตัวเลยทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ไม่ยึดถือแค่หัวแค่นิ้วแค่อวัยวะบางส่วนคือ<ะ>ทุกอย่างเลยที่รู้ที่ถูกรู้ตอนเนี้ยตัวทั้งตัวเราทั้งตัวนี้ที่ถูกรู้เนี่ยนี่คือวางหมดถ้าเข้าใจตรงนี้ไปเพียนก็เรียกว่าไปเพียรก็คือรู้ตัวเองอยู่เป็นประจำแล้วก็แค่รู้พอรู้ว่ามันมีอยู่แต่ไม่มีใครยึดแล้วไม่มีใครยึดแล้วไม่มีใครยึด หลวงพ่อยกตัวอย่างง่ายๆนะบางทีคนก็เห็นตัวเองไม่ได้ทั้งตัวคือเห็นไม่ได้เห็นตัวเองไม่ได้หลวงพ่อก็ยกตัวอย่างบอกว่าลองไปอยู่ในความมืดติปิดไฟให้หมดเลยะปิดไฟให้หมดเลยแล้วก็ตาก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแหละแต่มันรู้ได้ด้วยใจว่ามีตัวเรานั่งอยู่ในความมืดอ่ะเนี่ยตรงนี้ยก็สามารถรู้ตัวเราได้ทั้งตัวจริงๆอมันรู้เป็นอยู่แล้วแหละเพียงแต่ไม่เข้าใจนะ เพราะนั้นลองไปเล่นเล่นใหม่ปิดไวฟ ห, หมดแล้วก็ดูที่ว่ามันรู้ตัวเองได้ไหมล่ ะ, ะถ้ารู้ได้ก็หมายความว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยทั้งตัวเลยไม่มีใครยึดถือไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่ถ้าฝุกแหล่งนี้ได้นะต่อไปจะเดินที่จะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนก็แล้วแต่มันเห็นทั้งตัวแล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นะยึดถือไม่ได้แล้วก็วางมันวางมันทำํำแบบนี้มากมากเเดี๋ยวมันก็มันก็ เป็นเองแหละมันวางของมันเองอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับฝึกน่ะเนาะเออคุดุดุ อ, อันนี้ก็เป็นมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นประสบการณ์แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันอาจจะนอกตาราแต่ตําราเนี่ยเาพูดเน่บอกให้รู้ตัวแต่หลวงพ่อใช้เหตุสภาพแวดล้อมมาประกอบเพื่อให้รู้ตัวนะหรือไม่ก็บางทีหัดรู้ตัวในกรณีที่รู้ทั้งตัวนะเช่นแม้กระทั่งตอนนี้รู้ทั้งตัวได้หรือว่าถ้าใครรู้ตอนนี้ไม่เป็นก็ ไปไปเทียบเคียงกับสิ่งที่อยู่นอกตัวก็ได้นะเทียบเคียงกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเช่นหลวงพ่อเคยแนะนําบอกว่าเอา้าตอนที่นั่งดูทีวีอ่ะดูสิเห็นไหมมีทีวีถ้าคนไม่รู้ตัวเ้าก็จะเห็นแต่ทีวีนะจะเห็นตัวละครในทีวีแต่ไม่เห็นตัวเองอ่ะที่กำลังนั่งหัวล้อ ก, กิ๊กกักกิกกักอยู่หน้าทีวีอ่นะเพราะงั้นก็ลองไปฝึกนิดหนึ่งเวลาดูทีวีปับ๊บนะมีสติระลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้เรานี่กำลังขำกริ่งอยู่หน้าทีวีเนี่ย ก็หัดเห็นเราทั้งตัวแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ต่อไปก็ให้เห็นตัวเราทั้งตัวบ่อยๆบ่อยๆก็คือแค่เห็นแค่เห็นทิ้งไปไม่ก็ ย, ยึดถือ